เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบรตรสัตว์บุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่ย8สบพฤะสภาคมพุทธศักราชสองพนห้าร้อยห้าสเจ็เป็นวันพระวันธรรมสวัสวนะ์วันฟังธรรมวันสะสม สร้างบุญบารมีเพื่ออนาคต <Stuff> ที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐที่จะตามมาต่อไปบุญบารมีนี่แหละที่ทำให้สัตว์โลกทั้งหลายมีสถานภาพแตกต่างกันไปเช่นมนุษย์ถึงแม้ว่าจะเป็นมนุษย์ก็มีความแตกต่างกัน ในหลายรูปแบบด้วยกันแตกต่างด้วยรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมากสวยงามน้อยแตกต่างกันที่สติปัญญาความรู้ความฉลาดที่มีมากมีน้อยไม่เท่ากันแตกต่างกันที่ฐานะทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีมากมีน้อยไม่เท่ากันแตกต่างกันที่ สุขภาพร่างกายโายครคภัยไข้เจ็บมีมากมีน้อยไม่เท่ากันต่างกันที่อาการส2มสิบสองอวัยวะที่มีมากมีน้อยไม่เท่ากันต่างกันที่อายุที่มีสั้นมียาวไม่เท่ากันความแตกต่างเหล่านี้มีบุญบารมีเป็นเหตุอยู่ส่วนหนึ่ง คนที่สะสมบุญบารมีไว้มากก็จะมีชีวิตที่ดีมากกว่าผู้ที่สะสมบุญบารมีน้อยความสุขความทุกข์ภายในใจก็มีมากมีน้อยต่างกันพบชาติการเวียนว่ายตายเกิดก็มีมากน้อยต่างกันจนถึงไม่มีเลย นี่คือประโยชน์ที่จะได้รับจากการสะสมบุญบารมีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติวันพระวันธรรมสวนาดนี้ไว้เพื่อให้ยากริวมได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆแล้วจะได้มีเวลามาเติมบุญบารมีกัน เหมือนกับการแวะจอดตามสถานีบริการเวลาเราเดินทางไกลเมื่อเดินทางไปได้ระยะหนึ่งแล้วน้ํามันในรถก็จะเหลือไม่มากอาหารในท้องก็จะมีเหลือไม่มากน้ําในถุงปัสสาวะก็จะมีเต็มก็ต้องถึงเวลาที่จะต้องแวะตามสถานีบริการ เพื่อเติมน้ำมันให้กับรถเติมาหารให้กับร่างกายแล้วก็บรรเทาทุกที่มีอยู่ในร่างกายพวกเราจิตใจของพวกเราก็เป็นเหมือนผู้เดินทางไกลจำเป็นที่จะต้องแวะตามสถานีบริการต่างๆสถานีบริการของพวกเราก็คือวันพระคือวัดนี้เอง วัดวาอารามต่างๆเป็นที่เราจอดแวะเพื่อเติมน้ำมันเติมอาหารเติมสเสบียงก็คือบุญบารมีต่างๆที่พวกเราได้มากระทำกันในวันนี้นี่เองถ้าพวกเราทำกันอยู่อย่างสม่าเสมอแล้วทำให้มากขึ้นไปตามลำดับเราก็จะได้ผลประโยชน์ในอนาคต ที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐและได้รับความสุขความสบายใจในปัจจุบันได้ทั้งปัจจุบันได้ทั้งอนาคตเราจึงไม่ควรมองข้ามการเข้าวัดในวันพระวันธรรมมัทสวาะกันบุญวารมีที่เราจะต้องเสริมต้องสร้างกันนี้ก็มีอยู่สิบประการด้วยกัน เริ่มต้นที่อธิฐานบารมีอธิฐานบารมีแปลว่าความตั้งใจหรือความตั้งเป้าหมายเช่น ว, วันนี้เรารู้ว่าเป็นวันพระเราเลยได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าวันนี้จะมาวัดอันนี้ก็เรียกว่าได้สร้างอธิฐานบารมีแล้วก่อนที่เราจะทำอะไรให้ ให้สำเร็จรู้เรื่องได้เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะทำอะไรถ้าเราไม่รู้เราไม่ตั้งใจเราก็จะไม่ได้ทำตามที่เราได้รู้ได้ตั้งใจไว้เช่นสมมติวันนี้ถ้าไม่ได้ตั้งใจจะมาวัดก็จะไม่ได้มาวัดเติดขึ้นมาก็อาจจะไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็อาจจะนอนต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง แล้วตื่นขึ้นมาค่อยมาเนึกว่าต้องไปทาอะไรควรจะไปทาอะไรหรือไม่ทําอะไรแต่ถ้าเราได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วได้ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าวันนี้เราจะมาวัดมาสร้างบุญบรารมีพอตื่นขึ้นมาปั๊บเราก็จะรู้แล้วว่า อ, อ๋อวันนี้เราต้องไปวัดนี่คือบรารมีข้อที่หนึ่ง ต้องตั้งเข็มทิศ ต, ตั้งเป้าหมายเอาไว้ถ้าเราไม่ตั้งเราก็จะไม่ได้ทําตามที่เราตั้งไว้พอเราตั้งเป้าหมายแล้วว่าวันนี้เราจะมาวัดมาสร้างบุญบารมีต่างๆเราก็ต้องสร้างเราก็ต้องมีบารมีข้อที่สองก็คือวิริยะบารมีคือความภาคเพียนความกยัน ก่อนที่เราจะมีความวิริยะความภาคเพียรได้เราต้องมีสัจจะบา ร, รมีก่อนบา ร, รมีข้อที่สองคือสัจจะคือเมื่อเ ร, เราตั้งใจจะทำอะไรแล้วเราต้องไม่โกหกตัวเราเองเราต้องมีความซื่อตรงต่อความตั้งใจของเรามีสัจจะมีความจริงใจไม่ใช่ตั้งแล้วพอถึงเวลาก็เปลี่ยนใจ ถ้าเปลี่ยนใจก็แสดงว่าไม่มีสัจจะเช่นญาติโยงตั้งใจว่าจะมาวัดวันนี้พอตื่นขึ้นมาก็เปลี่ยนใจว่าวันนี้ไม่มาวัดดีกว่าเดี๋ยวไปทำนูน่ทนทำนี่ไปที่นั่นไปที่นี่ดีกว่าถ้าเปลี่ยนใจก็แสดงว่าไม่มีสัจจะถ้าไม่มีสัจจะตั้งใจไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนโกหกตัวเอง เหมือนบางคนตั้งใจว่าต่อไปนี้จะไม่กินเหล้าพอถึงเวลาก็ลืมไปว่าได้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะไม่กินเหล้าพอเวลาอยากกินเหล้าขึ้นมาเห็นเหล้าก็อดไม่ได้ก็เปลี่ยนใจกินสัหน่อยไม่เป็นไรก็คิดอย่างนี้ก็จะไม่มีวันที่จะเลิกกินเหล้าได้ก็ต้องกินเหล้าไปจนวันตาย ดังนั้นเราต้องดีสัจจะมีความซื่อตรงซื่อสัตย์กับตัวเราเองหลอกคนอื่นนั้นหลอกได้แต่หลอกตัวเราเองนี่หลอกไม่ได้ตัวเรารู้รู้แก่ใจว่าเราโกหกหลอกลวงตัวเราเองหลอกคนอื่นบางทีเขาไม่รู้ก็ะดาแต่หลอกเรานี่เรารู้ถ้าเราหลอกตัวเองเราก็จะรู้ว่าเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์เป็นคนคดคนโกกคนไม่ดี ดังนั้นเราต้องมีสักจะรักษ า, าคำมั่นสัญญาไม่ว่าจะให้กับเราหรือกับผู้อื่นก็เช่นเดียวกันคำมั่นสัญญาก็เหมือนอธิษฐานนี่เองเช่นสามีภรรยามีคำมั่นสัญญาว่าจะรักกันไปจนวันตายไม่ว่าสุขหรือว่าทุกข์จะไม่นอกใจกัน จะไม่ประพฤติผิดสีข้อสามกันนี่คือคำมั่นสัญญาอธิษฐานถ้ามีอธิษฐานแล้วมีสัจจะก็จะรักษาได้ถ้าไม่มีสัจจะพอถึงเวลาเกิดอารมณ์เห็นคนนั้นคนนี้ถูกอกถูกใจขึ้นมาก็อาจจะประพฤติผิดประเวณีได้ดังนั้นเมื่อเราตั้งอธิษฐานแล้วสิ่งที่เราต้อง ตั้งตอมาก็คือสัจจะต้องเป็นคนตรงคนซื่ออย่าเป็นคนคดคนโกงถ้าซื่อตรงแล้วจะสามารถทําอะไรต่างๆที่เราปรารถนาที่จะทําได้นี่คือสัจจะบารมีข้อที่สองพอเรามีสัจจะแล้วเรารู้แล้วว่าต้องมาวัดไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องมาเราก็ต้องมีความเพียร ความพยายามความขยันถึงแม้ว่าจะรู้สึกปวดท้องบ้างปวดศรีรษะบ้างถึงแม้จะรู้สึกว่างร่วงนอนไม่อยากจะลุกขึ้นจากเตียงก็ต้องบังคับตัวเองถ้ามีวิริยะมีความอุตสาหะความภาคเพียรก็จะลุกขึ้นมาถึงแม้ว่าจะลุกขึ้นมายากลาบากก็จะบังคับตัวเองให้ลุกขึ้นมา ยกเว้นที่มันสุดวิสัยจริงๆุกไม่ขึ้นจริงๆถ้าอย่างนั้นก็ต้องหาวิธีอื่นหาวิธีชดเชยหรือลงโทษตัวเองวันนี้มาไม่ได้พรุ่งนี้ต้องมาสองครั้งมาสองวันลงโทษตัวเองถ้าไม่ลงโทษตัวเองเดี๋ยวมันจะไม่เข็ดหลับมันก็จะมีข้ออ้างมีความขี้เกียจ มาคอยขัดขวางอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าต้องลงโทษตัวเองก็จะทำให้ไม่กล้าพอถึงเวลาต้องตะเกียกตะกายมาให้ได้เพราะถ้าไม่มาแล้วเดี๋ยวต้องมาสองครั้งต้องทำสองเท่านี่คือวิธีการที่เราจะบังคับตัวเราเองให้มีความขยั น, นยต้องมีความภาคเพียรมีวิริยะบารมี เพราะว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรถ้าไม่มีวิริยะแลาวทำไม่ได้อย่างที่มีคําพูดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นถ้ามีความตั้งใจมีสัจจะแต่ไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามก็จะไม่สามารถทําตามที่เราตั้งใจจะทําได้ดังนั้น เมื่อเรามีอธิษฐานมีศัจจะแล้วข้อที่สามเราต้องมีก็คือวิริยะบารมีหัดเป็นคนขยันอย่าขี้เกียจพยายามบังคับตัวเองอย่าอยู่เฉยๆวันเวลาผ่านไปการอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่การกระทำต่างสิ่งต่างๆที่ควรจะกระทำนี่แหละจะทำให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับเรา ถ้าเราทำสะสมบุญบรารมีขยันทำสะสมบุญบรารมีผลก็คือเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังในพระบาลีที่ตัดไว้ว่าหลุดพ้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรพระบาลีไม่ได้ตัดว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเกียดคร้าน ดังนั้นถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องเป็นมีความขยันหมั่นเพียรทำหน้าที่ของเรากิจการต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะหน้าที่ส่วนตัวหรือหน้าที่ส่วนรวมขอให้เราอยาขาตกปกพร่องทําให้เต็มที่เพราะจะทําให้เรามีนิสัยที่ดีก็คือมี ความกยันหมั่นเพียรเป็นนิสัยพอมีความกยันหมั่นเพียรแล้วเราปรารถนาอะไรเราต้องการอะไรเราก็จะสามารถทำได้ทำให้เกิดผลขึ้นมาได้นี่คือวิริยะบรารมีข้อที่สบรารมีข้อที่สก็คือขันติบรารมีความอดทนอดกลั้นนอกจากมีความกยันแล้วก็ต้องมีความอดทน เพราะการกระทำสิ่งต่างๆนี้มันไม่ใช่เป็นของง่ายสร้างบา ร, รมีนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายต้องฟันฝ่ากับอุปสรรคหลายอย่างทั้งข้างในทั้งข้างนอกภายในใจเราใจเราก็ต่อต้านใจเราไม่ชอบสร้างบุญบา ร, รมีกันใจเราชอบสร้างความทุกข์กันสร้างความวุ่นวายใจกันเราจึงต้อง มีความอดทนเพราะว่าเป็นเหมือนกับการเดินขึ้นเขาดีๆนี่เองเพราะมีสิ่งต่อต้านเราการทำความดีนี่เหมือนกับเดินขึ้นเขาส่วนการทำชั่วนี่เหมือนกับการเดินลงเขาการไปกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเที่ยวเตรนนี่ไม่ต้องไม่ต้องสอนไม่ต้องบอกเลยไปได้เองเลย พรามันเป็นของที่ฝังเลึกอยู่ในใจของเรามันชอบของพวกนี้เวลาให้มาวัดมาทำบุญมาทำทานมารักษาศีลมาไหว้พระสวดมนต์นเหมือนจูงสุนัขเข้าไปอาบน้ำมันไม่ชอบใจของเราเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความอดทนแล้วเราจะทำไม่ได้เหมือนเดินขึ้นเขา ถ้าไม่มีความอดทนนี้จะเดินไปถึงบนยอดเขาไม่ได้ไม่เชื่อลองไปเดินขึ้นเขาคิดจะกลู ด, ดจูจะรู้สึกว่ามันเป็นอย่างไรเังนั้นการสะสมบุญบา ร, รมีจำเป็นจะต้องมีขันติความอดทนอดกันนี่คือบา ร, รมีสข้อแรกที่เราต้องมีเป็นเครื่องมือในการสร้างบา ร, รมีอีก6ข้อคือหนึ่ง คือข้อที่หก็คือเมตตาบามีข้อที่6ก็คือทานบามีข้อที่7ก็คือศีลบามีข้อที่8ก็คือเนคขมะบาลีข้อที่9ก็คืออุเบกขาบามีและข้อที่10ก็คือปัญญาบามีถ้าเราไม่มีอธิษฐานไม่มีสัจจะไม่มีวิริยะไม่มีขันติ เราจะสร้างเมตตาบารมีได้ยากสร้างทานบารมีได้ยากสร้างศีลสร้างเนคขมมะสร้างอุเบกขาสร้างปัญญาบารมีได้ยากเพราะมันเป็นสิ่งที่ใจไม่ชอบสร้างกันใจชอบหาความสุขจากการเสดรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะจากอบายามุขต่างๆใจไม่ชอบเสียสละ อยากจะเอาเงินเอาทองมาซื้อความสุขให้กับตนเองใจจึงเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเมตตาไม่เมตตาก็คือไม่มีความคิดที่ดีต่อผู้อื่นเพราะคิดดีต่อตนเองเท่านั้นผู้อื่นจะทุกข์จะเดือดร้อนอยังไงไม่สนใจขอให้เราดีคนเดียวขอให้เรามีความสุขคนเดียวก็พอ เช่นคนที่ปล่อยกู้ดอกเอาดอกสูงๆอย่างนี้ก็เป็นคนที่ไร้ความเมตตาอยากจะได้ดอกสูงๆแล้วก็มาถามว่าบาปหรือไม่การที่ปล่อยกู้แล้วเก็บดอกสูงๆไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าไม่ไม่ได้บุญไม่ได้บุญบารมีคือความเมตตาถ้าเป็นคนเมตตาจริงๆก็ไม่เอาดอกเลย ให้กู้ไปเพื่อสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือกันเพราะคนเรามันไม่แน่นอนมีตกทุกข์ได้ยากมีลําบากลําบนได้อัตกัดขัดสนได้เขาเป็นได้เราก็เป็นได้ถ้าเขาเดือดร้อนเราก็มีความเมตตาสงเคราะห์เขาเขาต้องการกู้หนี้ยืมสินก็ให้เขาไปโดยที่ไม่คิดดอกอย่างนี้ก็เรียกว่ามีความเมตตา เราต้องมีความเมตตก่อนถ้าเราไม่มีความเมตตาเราจะทำทานไม่ได้เราจะให้กู้โดยไม่เก็บดอกเบี้ยไม่ได้การทานี่ก็เป็นการทำทานให้กู้โดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือให้อะไรไปแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนบางทีให้กู้แล้วอาจจะไม่หวังเอาคืนด้วยซ้งไปเพราะร้อยทั้งร้อยนี่เวลาให้กู้แล้วมักจะไม่ได้คืนถ้าไม่มี ไม่มีหลักทรัพย์ยึดประกันเอาไว้ส่วนใหญ่ถ้าให้แบบปากวนี้มักจะไม่ได้คืนคนที่ให้แบบนี้ถ้าเขาให้แสดงว่าเขาพร้อมที่จะเสียเขาไม่หวังที่จะเอาคืนเพราะเขาอาจจะคิดว่าให้ไว้เพื่อเป็นการสร้างทานบารมีสร้างเมตตาบารมีหรือให้เพื่อทดแทนบุญคุณที่บุคคลคนนี้เคยช่วยเหลือเรามาก่อน เราเคยตกทุกข์ได้ยากแล้วเขาช่วยเหลือเราตอนนี้เขาตกทุกข์ได้ยากเขามาขอความช่วยเหลือเราก็ให้เขาไปถึงแม้เขาบอกว่าจะขอยืมแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาคืนเขาจะให้คืนหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเราให้แบบดีแล้วเราจะไม่ทุกข์ใจแต่ถ้าเราให้แล้วเราหวังจะเอาคืนเนี่ย เวลาเห็นหน้าเขาแล้วเขาไม่คืนเงินเราจะรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจแลนะอาจจะทําให้เราเกิดขาดความเมตตาขึ้นมาได้อาจจะทําให้เราต้องว่าเขาด่าเขาได้นี่คือความเมตตาขอให้เรามีความคิดดีปรารถนาดีต่อผู้อื่นขอให้คิดว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันะ ทุกคนมีโอกาสที่จะตกทุกข์ได้ยากอัตคัดขัดสนได้ถ้ามีโอกาสที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปแล้วเราจะเป็นคนที่มีแต่คนรักเราชอบเราอา น, นิสงส์ของการมีความเมตตาในท่านกษัริย์ไม่ว่าจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีมนุษย์มีเทวดาคุ้มของรักษาเรา จะไม่ตายด้วยอาวุธต่างๆจะไม่ตายด้วยยาพิษเพราะไม่มีใครโกรธไม่มีใครเกลียดเรานั่นเองดีแล้วตายไปก็จะไปสู่สุคติไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรฉานเป็นเปรตไปตกนรกนี่คืออนิสงค์ของเมตตาบารมีเม่อเรามีเมตตาเมเราก็จะสร้างทานบรารมีได้ เราก็จะยินดีที่จะเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีมากเกินความจาเป็นเราก็จะแบ่งปันได้พอเรามีทานบาลีเราก็จะรักษาศีลสร้างศีลบามีได้ศีลบามีก็คือจบหมดพอดีเสียงไม่ดังก็ขอให้ยุติไว้เพียงเท่านี้ มองกันนะครับอ่าบาย ก็คือสี่หอุดมคาบก็คือนั่งสมาทใจใสปัญญาบามีก็คือความเพียรความรแล้วก็พิจารณาความจริงของสิ่งต่ใดใเห็นว่าเป็นมารจักทุกข์อาก็จะลบพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอย่างนั้นก็ขอทั้งหลายจนำอาบา ขึ้นมาให้ด้แล้วไปอยู่สุกับตาที่ต้อัญต่จ